ฝั่งเล็กน้อยขอโอกาสนะเพื่อนสานธร ม, มิกนะฮะแล้วก็เจริญปอนพวกเราทุกคนนึกถึงอาจารย์กำพลเนาะแบบในช่วงเวลาที่อาจารย์กำพลเป็นหนุ่มใช่ไหมฮะเป็นหนุ่มแน่นอยู่แล้วตอนนั้นก็ อาจารย์น่าจะอายุดาลาสักยี2สิบสามยิบสี่ประมาณนี้นะฮะย3 2 4ิบสายี่ิบสี่ยิห้าเนี่แหละนุ่มๆอาจารย์ก็แข็งแรงใช่ไ้มฮะทุกอย่างเรียกว่าถ้าพูดกันตามภาษาโลกก็บอกว่าอาวัยวะครบสาสิบสองแต่ภาษาธรรมอวัยวะครบสาสิบสองไม่ได้หมายถึงมือเท้าตรงนั้นนะ แต่ว่าหมายถึงว่าอันนี้ทางโลกก็บอกว่ามีมือมีตามีแขนมีขาครบอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆอาจารย์ก็พอประสบ ป, ปเหตุก็ยังมีครบนะแต่ไอ้ส่วนที่มันมีครบอยู่มันใช้การไม่ได้เท่านั้นเอง <c oughs> ก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เองก็เป็นทุกข์กับกับสิ่งตรงนั้นเยอะใช่ไหมฮะอย่างนั้นก็คนเราเมื่อสักครู่นี้เนาะ ใช่หฮะหรือเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะหลังจากรู้สึกตัวขึ้นมาหลืออะไรยังไงก็ตามเราก็ยังมีส่วนต่า ง, างๆนานาที่ใช้กันได้แต่พอถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะวันรุ่งขึ้นก็ดียี่ิบี่ชั่วโมงพันไปก็ดีไอสิ่งที่มีอยู่มันใช้กันไม่ได้แล้วใช่ฮะตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าอืมเราเองเราก็ติดปัญหา ต, ตรงนี้กันทั้งหมดใช่หฮะัน เราแบบคล้ายๆว่ามีไม่เท่าคนอื่นเนาะเรามีไม่ดีเท่าคนอื่นเรามีไม่ดีเหมือนเดิมใช่หฮะหรือเราไม่ดีเท่าคนอื่นหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้อะไรเงี้ยคือพอมันมีการเทียบเรากับเขาเรากับเขามีการเทียบวันนี้กับเมื่อวานนี้มีการอะไรต่างๆนานาพอมีการเปรียบเทียบเมื่อไหร่มันก็จะมีปัญหาเพราะมานนั่นคือเรากำลัง ทำงานกับความคิดใช่ฮะเมื่อเราทำงานกับความคิดปุ๊บเนี่ยเราก็หาคำตอบจากความคิดและเราเองเราก็มีข้อสรุปจากความคิดเราก็เชื่อความคิดของเราตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความคิดก็ทำร้ายเราอยู่เนาะหลวงพ่อเทียนจะบอกบอกว่าความคิดความคิดคือตัวสมุ ท, ทยัยนะฮะตัวสมุทัยก็คือตัวที่เป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ นะคือเราคิดวันหนึ่งเนี่ยนะฮะฝรั่งเขาก็วิจัยมาคิดวันหนึ่งไม่น้อยกว่านะห0 0มื่นครั้งนะในห0 0 0ื่นครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่หนุ่มพ่อคำเขียนบอกว่าตั้งใจคิดนะนุ่มพ่อคเขียนจะแยกความคิดอยู่2 อ, อย่างหนึ่งตั้งใจคิดกับ2ไม่ได้ตั้งใจมันมาเองนะฮะ ตรงนี้เนี่ยความคิดที่มันมาเองมาจากไหนมาจากสัญญาคือความจําของเรานะฮะตรงนั้นผนวกกับสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าณเวลานั้นๆลมพดัดบูบหนึ่งก็โอ้อันนี้เนาะมันไม่เย็นเท่าคราก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคิดไปละอะไรเงี้ยตรงเนี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยฮะว่านี่คือเป็นสิ่งที่ความคิดของเรามันเกิดมาจากสัญญาที่ไม่เที่ยงนพระพุทธเจ้าก็บอกเอาไว้ ใช่ห ะ, ะแล้วก็การตรุงแต่งกันหมายที่เป็นความคิดอีกอะไรต่างๆนานาเหล่า น, านี้ตรงนี้ฮะมันก็จะเป็นสิ่งที่นบวมเขียนบอกมานี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่มันบังเอิญหลงเข้ามาพลัดเข้ามาแล้วก็ไปเกาะมันไว้แล้วเราก็คิดตรุงแต่งมันไปตรงนี้เราจะมองเห็นว่าในห 0,000 ื่นครั้งเนี่ยฮะไอ้ส่วนที่เราตั้งใจคิดจริงๆเนาะหรือว่าเป็นความคิดดีๆจริงๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย มันจะมีสักกี่ครั้งถึง5้าอครั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะถ้าไม่ถึง500อยครั้งเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเปอร์เซนต์ที่น้อยที่สุดเนาะใช่ไหฮะจาก6 0 0 0ืนเนาะใช่หมฮะมา5้าร้อยครั้งวันหนึ่งเราคิดดีจริงๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะให้ไปสักแบบว่าร้อยครั้งเอา <c oughs> อย่างมากที่สุดใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยนั่นันคือตรงเนี้ยฮะว่า ความคิดที่เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวสมุทัยที่หลวงพ่อเทียนบอกเอาไว้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะความคิดที่ไม่ได้ตั้งตั้งใจคิดนี่แหละมันเป็นสิ่งที่กัดกร่อนชีวิตเราแนละ้วอย่างนั้นคือชีวิตเราเนี่ยเสียเวลากับเรื่องความคิดเนี่ยเยอะมา ก, มากๆนะฮะอย่างสามมุติถ้าว่า6กห 0,000 ่นครั้งเราเสียเวลาไปคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ย เสียเวลาจริงๆนะฮะนั่นคือวันคืนล่วงไปล่วงไปมานั่งคิดอะไรอะไรอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยบางทีเราก็กลัวแก่กันเนาะใช่ไหมฮะโอ๊ยแบบว่าวันคืนล่วงใ ป, ปล่วงไปเราก็แก่ไปทุกวันทุกวันทุกวันแต่พอเวลาที่เราคิดถึงว่าเราไปเสียเวลากับความคิดพวกนี้เนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยเยอะแยะจรนะิงๆเนาะใช่ไหมฮะอย่าไปกลัวแก่วันหลังกลัวเสียเวลาไปก็ไอ้ความคิดเรื่องพวกนี้แหละเรืความคิดพวกนี้แหละที่มันมากัดกร่อนชีวิตเราอยู่ นันคือตรงนี้ฮะว่ากรรมฐานที่หลวงพ่อเทียนให้ไว้เนี่ยหลวงพ่อเทียนก็จะให้ไว้บอกว่ารู้ว่าคิดเมื่อไหร่กลับมาก่อนรู้ว่าคิดเมื่อไหร่กลับมาก่อนตรงนี้ฮะจะเป็นสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นที่สุดนอกของหลวงพ่อเทียนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการเ็าเรียกว่าเราจะ ก็เรียกว่าพาจิตใจของเราเนี่ยสูงจุดที่เราเรียกว่าไม่มีทุกข์นะฮะในจังหวะที่ความคิดของเราเนี่ยนะฮะแบบดับลงแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นตอนนั้นนะฮะที่จิตของเราเนี่ยเป็นปกติที่สุดนะะั่นนั่ น, น, นคือตรงเนี้ยจิตเราปลอดภัยที่สุดเพราะว่าจิตเราได้กลับมาอยู่กับกายเรา ในภาษาธรรมบางทีเราเรียกว่าวิหารธรรมเนาะคำว่าวิหารก็มีกำแพงล้อมนะฮะมีหลังคากันแดดกันฝนปลอดภัยทุกอย่างนั่นนั่นคือตรงนี้ฮะว่าจิตที่กลับมาอยู่กับกายเนี่ยจะเป็นจิตที่แบบเรียกว่าเป็นปกตินะเช่นจิตประพัดสอนตั้งแต่เราเกิดมาเนาะเราก็จะเห็นเด็กเนาะตาใสแปว ก, กันอย่างเี้ยเพราะว่านั่นคือเด็ก ที่ไร้เดียงสาจิตเขาก็พระพัดสอนกันนั่นนั่นคือตรงนี้ยนะฮะว่าเราก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพร้อมกับการตรุงแต่งต่างๆนานาเราจะพบว่าเด็กเล็กๆเนาะความไร้เดียงสาของเขาก็จะอยู่เป็นช่วงสั้นๆเนาะอายุสักสามขวบไปแล้วก็จะเริ่มไม่ค่อยไร้เดียงสาเท่าไหรละเพราะว่าเริ่มเริ่มมีความคิดเริ่มมีการตรุงแต่งนั่นนั่นคือตรงนี้นะฮะว่าความหม่นมอง ของไวยธาลกหมดไปตรงนั้นน่ะก็ให้เราได้มองเห็นว่าจริงๆชีวิตของเราก็หมุนหมองแบบนั้นนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเนาะเราจะทับถมเรื่องราวต่างๆขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ทับถมก็ามาก็จะเป็นความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเราไม่มีวิธีการที่จะเขาเรียกว่าชำระจิตของตนให้ขาวรอบแบบที่ใน บทโอวาทปฏดิโมกเมื่อกี้บอกไว้เนี่ยตรงนั้น่ะชีวิตเราจะเป็นปัญหาชีวิตเราจะเป็นอันตรายมากๆว่าตรงนี้เนี่ยการชำระจิตของเราก็คือการพาจิตออกมาจากความคิดการพาจิตออกมาจากความคิดไม่ยากถ้าหากว่าเป็นทางของหลวงพ่อเทียนก็คือการที่บอกว่ารู้ว่าคิดเมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่ความรู้สึกความเคลื่อนไหวของร่างกายตรงนี้ละจะเป็นการพาจิตของเราออกมา นะคือนี่คือก็เรียกว่าเราจะเรียกภาษาธรรมว่าอะไรก็ได้ยกจิตขึ้นมาจากที่ตกต่ำก็ได้จะบอกว่ า, าชำระจิตของเราก็ได้นะฮะอย่างนั้นทั้งหมดมีความหมายเดียวกันก็คือพาหลุดออกมาจากปลักตมของห่วงคิดที่เราสร้างขึ้นมา สังขารที่เรากําลังปรุงแต่งอยู่ก็ดับลงเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ฮะมาเป็นสิ่งที่สําคัญมาคือเราเนี่ยเนาะโชคดีที่สุดว่าเรามาเขาเรียกว่ามาทํากรรมฐานเนาะใช่ไหมกับทางสายหลวงพ่อเทียนเพราะเนื่องจากว่าการทํากรรมฐานกับสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นกันตรงนี้เลยทีเดียวนะฮะ หลวงพ่อเทียนก็บอกให้เราทําตรงนี้เลยไม่ทําเรื่องอื่นนะฮะอย่างนั้นทางหลวงพ่อประโมทเนาะหลวงพ่อประโมทจะบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติแต่พระเจ้าเองเนี่ยก็สรรเสริญเอาไว้ว่าสติเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแม่ของทั้งหมดเนาะนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ย หลวงพ่อเทียนก็สอนเรื่องของการเจริญสติเลยผ่านเนี่ยผ่านก็เรียกว่ากรรมฐานบนความเคลื่อนไหวนั่นนั่นคือตรงเนี้ยฮะมันเป็นสิ่งที่พวกเราเองเนี่ยโชคดีว่าเราได้เข้ามาอยู่ในสายหลวงพ่อเทียนเนาะเพราะนั้นกรรมฐานตรงเนี้ยจะเป็นกรรมฐานที่จะช่วยชำระจิตของเราเนี่ยได้อย่างตรงที่สุดแล้วก็ได้อย่างที่เขาเรียกว่าเท่ากับเขาเรียกว่า ความพยายามของเราตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความพยายามที่จะทำตรงนี้เนาะความพยายามหรือความเพียรเนาะในทางที่หลวงพ่อํำเขียนบอกเอาไว้ ม, มาความเพียรที่ถูกต้องนะในกรรมฐานแบบของพวกเราก็คือการเพียรละความคิดการเพียรละความคิดไม่ต้องเสียดายเลยเนาะ ว่าไอ้ความชิดที่มันกาลังมีอยู่กาลังเกิดขึ้นมันเป็นความชิดที่สวยงามหรือไม่สวยงามยังไงไม่ต้องเสียดายไม่ต้องไปตามรู้เลยเพราะว่านั่นคือทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นห้าหมื่นกว่าความชิดเนาะที่เป็นความชิดที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางไปเลยนะวางไปเลยกรรมฐานไม่ได้มีอะไรที่ลึกลับนะฮะทเรื่องเท่านี้เองนะฮะ ทำเรื่องตัวนี้เองไม่ต้องทํำอะไรเราจะพาตัวเองเนี่ยออกจากทุกข์ได้ในทันทีครนี้ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าณเซียววินาทีที่เราพาออกมาเนี่ยความคิดเนี่ยเขาก็ทํางานต่อไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราเองอาจจะมีความรู้สึกบอกว่าเอ๊ะทำไมเรายังคิดไม่เลิกทําไมเรายังคิดไม่จบทําไมรู้สึกตัวแล้วก็ยังคิดอีกอย่างเงี้ยน้อยอยู่นั้น ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็ความคิดมีตั้งห 0,000 ื่นครั้งเนาะใช่ฮะอย่างน้อยห0 0 0 0่นครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดมันก็เกิดตลอดเวลาความคิดมันก็เกิดตลอดเวลาหน้าที่ของเราก็คือเราทำยังไงถึงจะละความคิดได้ตลอดเวลาเหมือนกันตรงนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราทำกรรมฐานให้เป็นนิสัยทำกรรมฐานให้เป็นนิสัยเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้น จะไม่หันอย่างนี้คือเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนาะพยายามทำบ่อยๆตรงนี้เนี่ยท้ายสุดเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยแล้วเราก็ไม่ต้องพยายามอะไรเพราะเป็นนิสัยแล้วเนาะทุกอย่างที่เราทำเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันจะติดมันจะเคยแล้วมันไม่ต้องพยายามอะไรนะฮะอย่างนั้นนั่นนัคือตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้มั่นใจว่ารกรรมฐานเนาะ ในทางที่หลวงพ่อเทียนแนะนําไว้ในทางที่หลวงพ่อกาเขียนแนะนําไว้ตรงนี้เป็นกรรมฐานที่เหลือแต่เราลงมือทําเท่านั้นเองแล้วก็สิ่งที่พวกเราลงมือทําตรงเนี้ก็ก่อใพวกเราได้รู้ว่ามันก็เหมือนกับการลงมือทําทุกๆอย่างที่จะเริ่มต้นที่ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างเริ่มต้นที่หลงบ้างลืมบ้างอะไรต่างๆนาน า, นาเพราะมันมีนิสัยเก่านะ ที่เลิกว่านนิสัยที่เป็นนิสัยแห่งความหลงอยู่เพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยอย่าท้อนะฮะอย่าท้อเพราะว่าเราไม่ต้องไปแก้ความหลงนะฮะแต่ว่าเราสร้างนิสัยใหม่สร้างนิสัยใหม่ที่จะแบบว่ามีสติเนาะคอยดูกายที่เคลื่อนไหวคอยดูใจที่คิดนึกตรงเนี้นะฮะถ้าเราแบบว่า สร้างนิสัยที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่สติได้เห็นใจที่คิดนึกไปใจเขาก็จะกลับมาเองเมื่อไหร่ที่สติเห็นใจที่นึกคิดไปเขาก็จะกลับมาเองนั่นคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่า ต, ต้องเรียกว่าสามารถทำได้ทันทีเพียงแต่ ว, ว่าเราจะทําได้บ่อยครั้งแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราทําได้บ่อยครั้งมากขึ้นเนี่ยความทุกข์ก็ลดน้อยลงเท่านั้น สมควรแก่การปฏิบัตินั่นนั่นคือตรงนี้หรับว่าอยากให้พวกเราเนี่ยได้มั่นใจนะว่ากรรมฐานที่อยู่ในทางทางเราเนาะเป็นกรรมฐานที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆให้เราสังเกตจังหวะตรงนั้นได้เราสังเกตจิตใจของเราตรงเนี้ยก็อยากให้พวกเราได้ได้เห็นก็เรียกว่าเห็น ความเป็นจริงเนาะด้วยการที่เราเนี่ยก็ เ, เรียกว่าเอาสติเนี่ยสำรวจเนาะความเป็นไปของจิตเราจิตเราเป็นยังไงณนะขณะนั้นจิตเราเป็นยังไงณนะขณะนั้นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่นะถ้าเราเนี่ยได้พบว่าอืเราเองเนาะเป็นคนที่เคยคิดมากปฏิบัติธรรมแล้วเราคิดน้อยลงตรงเนี้ยนะ นั่นเป็นสิ่งที่เราให้คะแนนตัวเองถูกต้องแล้วนะฮะอย่างนั้นเราให้คะแนนตัวเองถูกต้องแล้วเพราะว่าการปฏิบัติธรรมทําให้เราคิดน้อยลงถ้าปฏิบัติธรรมทําให้เราคิดน้อยลงจริงๆตรงนั้นก็ไม่ใช่ผลของการปฏิบัติธรรมจริงๆแต่ว่าผลจริงๆคือทุกเราน้อยลงตามความคิดที่น้อยลงต่างหาเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทุกเราน้อยลงมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดที่น้อยลงเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นสิ่งที่ ทุกน้อยลงความคิดเหมือนเดิมนะฮะเท่าเดิมแต่เราไปยุ่งกับเขาน้อยลงความคิดเหมือนกับหัวใจเต้นเนาะความคิดเหมือนกับปอดทางานความคิดเหมือนกับตับไตาทางานพอเขาเรียกว่าเอเริ่มเราเริ่มมีชีวิต <c oughs> เขาก็เริ่มทำงานไปเขาจะจบหน้าที่ของเขาก็เมื่อไหร่ที่เราตายเท่านั้นเองนั่นนั่นคือไม่ต้องคิดว่าเมื่อไหร่ความคิดจะหมดไปไม่หมด มันอยู่ที่ว่าเราสนใจเขาไหมเท่านั้นเองทุกวันเราก็ดำรงชีวิตไปก็ไม่ได้สนใจว่าหัวใจเราเป็นยังไงทุกวันเราก็ดำรงชีวิตไปไม่ได้สนใจม้ามตับปอดเราเป็นยังไงเหมือนเหมือนกันแบบนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับความคิดแบบนั้นเนี่ยเราก็ยกุ่ยเย ง, ยงเกี่ยวกับเขาน้อยลงยุ่งเกี่ยวกับเขาน้อยลงเราก็ทุกน้อยลงนั้นคือตรงนี้ฮะว่าเป็นสิ่งที่ อยากให้พวกเราเนี่ยได้ได้เห็นเนาะได้เห็นแล้วก็ได้ทำสิ่งนี้เนี่ยให้ปรากฏเพราะจริงๆแล้วเพียงแค่พวกเราเนาะได้เขาเรียกว่ายัางไงอะยอมเนาะทำกรรมฐานเนาะไม่ใช่เพียงแค่ทำท่านะฮะแต่หมายถึงว่าทำไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทำรูปแบบแต่ทำให้ถึงเนื้อหาก็คือให้เรารู้สึกจริงๆเนาะ รู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้ใจเรากาลังรับรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่รู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้ใจเราเนาะกลังเผลอไปคิดอย่างเงี้ยเนี่ยเราทำเท่านี้เองนะฮะทำตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรตรงเนี้ยถ้าหากว่าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะช่วยเนะเาะก็เรียกว่าช่วยตัวเราเองเนาะออกมาจากห้วงของความคิดออกมาจากห้วงของความทุกเนี่ยได้ไม่ยาก ในส่วนของก็เรียกว่ากรรมฐานเนาะของประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นกรรมฐานที่แข็งที่สุดนะของก็เรียกว่าวิถีพุทธในโลกนี้น ะ, ะไม่ว่าจะเป็นที่ทางไหนก็ตามจะเป็นที่เบตก็ดีจะเป็นจีนอินเดียอะไรก็ดีอะไรเงี้ยก็หนวงพ่อขงเยนก็เคยยืนยันเนาะ มาตรงนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่แบบโชคดีที่สุดแล้วคนไทยก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วที่ได้เหมือนกับยังมีครูบาอาจารย์ได้มีเขาเรียกว่ามีกรรมฐานที่ถูกต้องเนาะมีการนำเอาพระธรรมของพระเจ้ามาปฏิบัติอย่างถูกต้องเนาะแล้วก็อย่างได้ผล ครูบาอาจารย์ก็ยังมีชีวิตยอยู่เนาะหรือว่าการขาดตอนของพุทธศาสนาก็ไม่มีตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ได้มองเห็นตรงนี้ว่าเราก็โชคดีมากๆที่เกิดมาเป็นคนไทยทนานองเดียวกันก็ขอให้พวกเราได้มองอีกว่าจริงๆเราก็โชคดีมากๆที่ได้มาเจอเนาะกรรมฐานในทางสายหลวงพ่อเทียนเพราะว่าคนไทยเจล้านคน จะมีคนที่ทำกรรมาฐานจริงๆนะถึงล้านคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในในในในประเทศเราไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะคนที่มาเจอสายหลวงพ่อเทียนจะเป็นสักกี่คนยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปเป็นลำดับนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะว่าถ้าเราเทียบกับคนทั้งโลก7 0 0พันล้านคนเนี่ยล้านคนของประเทศไทยก็ เป็นเพียงแค่ 1% ของคนในโลกแล้วก็ 1% ตรงนี้เนี่ยเป็นก็ไม่รู้อีกเป็นอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นคนที่มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมจริงๆตรงนี้ฮะก็เป็นสิ่งที่อยาให้พวกเราเนี่ยปล่อยโอกาสนี้ผ่านเลยเพราะว่าการเกิดมาเป็นคนก็ไม่ใช่ง่ายนะคำว่าไม่ใช่ง่ายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ก็เรียกว่าพุทธเจ้าเองก็บอกเนาะเหมือนกระเต่าตามบอดเนาะสองปีจะโผล่ขึ้นมาสักทีหนึ่งอย่างเงี้ย น, นะแค่นั้นเองก็ไม่เท่าไหร่เนาะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยเกิดเกิดมาเป็นคนครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสได้อยู่ในประเทศไทยจะมีโอกาสได้เจอกรรมฐานแบบหลวงพ่อเทียนสักกี่ครั้งกี่กี่หนอย่างเงี้ยเกิดอีกครั้งหนึง่งโชคดีเป็นคนนึ่เหมือนกันอาจจะไปอยู่จากในยุโรปอยู่ใน อเมริกาอยู่ในแรงตันนานาเหล่านี้ เ, เนี้ยโอกาสที่จะมาทํากรรมฐานก็ไม่ใช่ว่ามีเพะฉะนั้นนึนคือตรงนี้ครับว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ได้มาเจอกรรมฐานตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้คุ้มค่านะเพราะว่าการเกิดมาครั้งนี้เป็นการเกิดมาที่น่าจะเป็นโอกาสดีที่สุดของการเกิดมาเป็นคนครั้งหนึ่งเราเกิดมาแล้วเนี่ย เราใช้ชีวิตของเราเป็นหมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเป็นหมันก็คือเกิดขึ้นมาปลีๆไปแต่ถ้าเกิดขึ้นมาปลีๆก็แล้วไปเนาะแต่ถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทํากรรมดีอีกเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ชาติหน้าก็จะไม่ดีเท่าชาตินี้ละเนาะชาติหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรเรียจางก็บอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วหนึ่งชีวิตเนี่ยเวียนว่ายแต่เกิดมากองกระดูกเนี่ยสูงเท่าภูเขาฮิมาลัย หนึ่งชีวิตเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ว่าหลายชีวิตนะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยมาชีวิตเราก็เวียนว่ายไตเกิดมาก็เยะแยะไปหมดแล้วนะฮะอย่างนั้นเพระาะฉะนั้นนั่นคือตอนเนี้ยเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอย่าให้โอกาสนี้เนี่ยหลุดลอยไปอย่าให้การเกิดมาครั้งนี้เนี่ยเป็นหมันไปเปล่าเปล่าอยากให้พวกเราได้ใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยให้เต็มที่กันเพราะเนื่องจากมาตรงนี้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นนาทีทองมากมาก เป็นจังหวะต้องเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของชีวิตเราเกิดอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในยุคพระศรีอ่าน์ได้ซ้ําไปอะไรเงี้ยจะไม่เกิดอยู่ในยุคกัลียุคเนี่ยโอ้ค ง, ง ย, ายากอยู่วันนั้นนั่นคือตรงเนี้ยนะฮะว่าอยากให้พวกเราได้ใช้โอกาสพวกนี้ให้เต็มที่แล้วก็อยากให้พวกเราได้เห็นว่าชีวิตของเราที่เกิดมาตรงนี้ก็โชคดีมากๆแล้วก็โชคดีกว่าอีกเจ็ดพันล้านคนในโลกนี้เยอะแยะไปหมดเลย เรามีข้อดีเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วก็ต้องพิการอย่างอาจารย์กมพลเนาะเราก็ยังมีทุกอย่างอยู่กับตัวเราอย่างดีเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ตามที่เคยไม่ดีที่ผ่านเรามาจริงๆถ้าเทียบกับสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นๆมีๆกันอยู่บางทีชีวิตเราก็ดีกว่าคนอื่นเยอะๆนะฮะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ย ก็อยากให้กำลังใจพวกเรานะว่าปฏิบัติทมกันนะให้แข่งขันแล้วก็พุทธเจ้าเองก็บอกเอาไว้นะฮะว่าคนเราอะเป็นดอกบัวแค่สมเหล่าเท่านั้นไม่ใช่สีเหล่านะเหล่าที่สีที่บอกว่าไม่มีทางเจอแสงแสงเดือนแสงตะวันไม่มีพุทเจ้าบอกว่าอย่างที่หนึ่งก็คือใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดว่าแบบชูขึ้นมาเหนือน้าแล้วเจอแสงอาทิตย์ก็บานเลยอันนั้นก็ เป็นเรื่องที่เราก็ได้เห็นเนาะอย่างพุทธการจะไม่ฮะก็มีคนที่ฟังทำปุ๊บก็บรรลุทำกันอย่างนั้นก็มีแต่ก็มีนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนกับทําแล้วไปปฏิบัติกันจะไม่ฮะอย่างเนี้ยก็บรรลุทำกันอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนั่นนัึงคือพวกเราเนี่ยก็อยู่ในส่วนที่สามเนาะอย่างนั้นนั่นนึงคือตรงเนี้ยพระเจ้าบอกเอาไว้ว่าคนทุกคนเนาะ แล้วนะที่หากว่ามาเจอพระธรรมเนี่ยตรงเนี้ยนเนาะก็ถือว่าได้กัลยาณมิตรที่ดีที่สุดแล้วเพราะพระพุทธเจ้าเองบอกกับพระอนนท์ไว้ว่ากัลยาณมิตรเนี่ยใช่ไหมฮะผู้ใดที่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะ่ะผู้นั้นแหละใช่ไหมฮะที่ว่าจะได้พาตัวเองเนี่ยพ้นจากทุกข์แล้วก็พระพุทธเจ้าเองก็บอกเอาไว้ว่ า, วาพระธรรมและวิไนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นตัวแทนพวกเราก็ได้พบทั้งพระธรรม ได้พบทางบีไนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนั่นก็คือเราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกระยาณนิมิตรตรงนี้เนี่ยเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเนาะเป็นกระยาณนมิตของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเป็นกันได้โอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ใช้โอกาสนี้กันให้เต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าชีวิตนี้ของเราเนี่ยจะเป็นชีวิตที่มีทุกน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่ง ไม่มีทุกข์ในที่สุดได้จริงๆพวกเราก็กลับพระพร้อมกัน